เรือพระราชพิธีจำลอง52ลำประกอบการเหือเรือเฉลิมพระเกียรติและองค์ความรู้ขบวนพายุหายาตราทางชลม่าจากอดีตสู่ปัจจุบันชมเรือพระที่นั่งจำลอง4ลำพร้อมสาธิตการเฮือเรือขวนและขอนนอกและขอนในและการแสดงจากพระสงฆ์นิกรทุกภูมิภาคม่านน้ำประกอบแสงสีเสียงและสุดยอดอาหารไทยเลือรส25ตุลาคมถึง11พฤศจิกายน2562 10นาฬกาถึง22นาฬิกาณบริเวณท้องสนามหลวงสอบถามเพิ่มเติม1765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 สวัสดีค่ะกุวัปปังคาต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อนเตินภัยค่ะรายการที่รวบรวมเรื่องราวการเตินภัยการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนำมาฝากกันนะคะในช่วงเวลานี้ที่ทาง FM 89.5 วิทยุราชมงคลธั ญ, ญบุรีค่ะเราเจอกันในทุกๆเช้าของวันพรรหั ส, สบดีดิฉันอาธิตยาปกทานางก็จะมีการรวบรวมนะคะเรื่องราวที่กาลังเป็นประเด็นเป็นกระแสแล้วก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นกรณี การเตือนนะคะให้เราระมัดระวังเพื่อที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนะคะวันนี้เริ่มต้นกันค่ะกับเทศกาลลอยกระทงที่ผ่านมานะคะซึ่งในหลายๆพื้นที่เองเนี่ยก็มีการสรุปเกี่ยวกับ กระทงนะคะที่ลอยกันในปีที่ผ่านมาซึ่งในกรุงเทพมหานครเองนะคะก็เรียกได้ว่าปีนี้มีการลอยกระทงที่น้อยกว่าปีที่แล้วนะคะแต่กลับพบว่ากระทงที่นํามาลอยนั้นมีการใช้กระทงที่ทำมาจากธรรมชาติกันมากขึ้นนะคะโดยพื้นที่ที่มีการลอยมากที่สุดก็คือที่ลาดกระบังนั่นเองนะคะส่วนอีกเรื่องราวในต่างจังหวัดนาก็น่าจะเป็นควันหลงจต่เทศกาลลอยกระทงนะคะซึ่งหนึ่งในสิ่งที่เรียกว่า เป็นอันตรายนะคะหลงเหลือทิ้งเอาไว้นั่นคือตะปูและเข็มหมุดที่ใช้ยึด ซากกระทงรูมไปถึงไม้แหลมๆด้วยนะคะกําลังเป็นภัยนะคะที่ริมชายหาดบางแสนค่ะตอนนี้ใครไปเดินแถวนั้นนะคะระมัดระวังนิดนึงนะคะใส่รองเท้าไปเดินด้วยน ะ, ะเพราะว่าอาจจะมีลูกหลงนิดนึงนะคะเป็นตะปูเข็มหมุดหรือเป็นไม้แหลมจากซากกระทงนะคะเบื้องต้นขา่าเทศบาลเมืองแสนสุขแล้วก็นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาก็เร่งที่จะมีการทยอยเก็บทําความสะอาดกันแล้วค่ะ แฟนเพจเฟซบุ๊กนะคะชอบจางบางแสนค่ะได้มีการเผยแพร่ภาพหาดชายหาดบางแสนนะคะที่ตะมนแสนสุขอำเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีค่ะโดยหาดนั้นนะคะมีบรรยากาศน้ำใสน่าเที่ยวแต่กลับเสี่ยงอันตรายเพราะมีเศษซากจากขยะ กระทงนะคะที่นักท่องเที่ยวนั้นนํามาลอยเกยตื้นโผล่เกลื่อนหาดเลยค่ะซึ่งกระทงเหล่านี้นะคะก็มีทั้งหมุดตะปูนะคะเข็มหมุดแล้วก็ไม้แหลมค่ะพร้อมทั้งมีกระทงจากขนมปังที่มีสภาพเละลอยอยู่ด้วยทั้งนี้นะคะทางเพจเองก็มีการเตือนนักท่องเที่ยวให้ระมัดระวังนะคะในการเดินเท้าเปล่าในบริเวณชายหาดบางแสนนะคะเนื่องมาจากว่าอาจถูกเศษซากจากกระทงทิ่มเท้าเอาได้โดยเทศบาลเมืองแสนสุขเองก็เร่งทยอยเก็บทําความสะอาดอยู่ค่ะ เนื้อหาที่มีการโพสต์นะคะก็บอกว่าบางแสนน้ำนิ่งมากใสามากแต่ต้องระมัดระวังหมุดตะปูและเข็มหมุดและไม้แหลมจากกระทงที่รลอดทุกโศกมอบเด่นนักท่องเที่ยวดวงสวยจ้าอันตรายมากเพราะมีหมุดจากหมุดเย็บผ้าปนในทราย แล้วก็ถ้าไมา่ถ้าไม่เห็นใครเดินเท้าเปล่าคงเหยียบนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆที่จะไปเล่นน้ําก็ต้องระมัดระวังกันด้วยในช่วงนี้ค่ะโดยมีนิสิตมหาวิทยาลัยบุรพาเดินเก็บกระทงสมทบด้วยขอบคุณน้องๆมากๆกระทงขนมปังเละมากปลาไม่เห็นกินตอนนี้ทะเลจะเต็มไปด้วยดอกไม้แล้วก็ส่งกําลังใจไปให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแสนสุขนะคะซึ่งกําลังทยอยเก็บกระทงแต่ตะปูนี่แหละหน่าห่วงที่สุดนะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีการาพูดถึงนะคะเช่นชมใน อย่างไรต่างๆนะคะที่มีการมาช่วยกันในการรักษาความสะอาดที่ริมชายหาดบางแสนด้วยนะคะก็น่าจะนะมีความสะอาดเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าก็เตือนเอาไว้นิดนึงนะสำหรับใครที่จะมีการไปเที่ยวนะคะก็ไปเที่ยวได้ชายหาดสวยนะคะแต่อาจจะระมัดระวังนะใส่รองเท้ากันสนิดหนึ่งะคะ่ะขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะจากผู้จัดการออนไลน์ค่ะ จากบ้างแสนนะคะเราไปกันที่ทางภาคใต้กันบ้างล่าสุดนี้นะคะทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทบทสํานัก ง, งานภาคใต้ค่ะก็เตือนชาวปักใต้นะคะระวังแชร์ลูกโซ่แนะนํานะคะให้จับผิดใครที่มาชวนเราทําแชร์ลูกโซ่แล้วให้ผลตอบแทนสูงขอเชี่ยวเลยนะคะว่านั่นคือมิจฉาชีพค่ะนายสันติรังสียาพรรัตน์ผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทบตอสานัก ง, งานภาคใต้นะคะได้มีการเปิดเผยกับผู้สื่อข่าว เตือนภัยทางการเงินโดยเฉพาะแชร์ลูกโซ่ในพื้นที่ภาคใต้นะคะว่าเป็นเรื่องที่ต้องขอความร่วมมือสื่อมวลชนในพื้นที่ช่วยกับประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในภาคใต้ซึ่งมีข้อสังเกตเด่นๆนะคะก็คือการชักชวนให้มาลงทุนโดยมีการเสนอผลตอบแทนที่สูงค่ะฉะนั้นนะคะอะไรก็ตามที่มีการชวนนะให้คุณไปลงทุนโดยสัญญานะคะว่าจะให้ผลตอบแทนที่สูงเนี่ยสงสัยได้เลยนะคะว่านี่จะเป็นแชร์ลูกโซ่และที่สําคัญนะคะจะเน้นให้นักลงทุนเนี่ยเชิญชวนบุคคลภายนอก บุคคลอื่นชวนญาติญาตินะคะให้เข้ามาร่วมลงทุนด้วยโดยหากสามารถชักชวนได้เนี่ยก็จะได้ผลตอบแทนมากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยแหละค่ะจะเป็นลักษณะที่สังเกตได้ว่านี่แหละคือแชร์ลูกโซนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคุณสันติบอกว่าปัญหาชาลูกโซเนี่ยก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ฉุดรั้งเศ ร, รษฐกิจด้วยนะคะเนื่องมาจากว่าทําให้ไม่มีเงินนําไปจ่ายในสิ่งที่จําเป็นเพราะเอาเงินไปลงทุนแชร์ลูกโซหมดค่ะที่สําคัญนะคะวิธีการป้องกันที่ดีนะคะถ้าหากว่ามีคนมาชวนให้ ลงทุนบางคนบอกว่าเกรงอกเกรงใจไม่รู้จะปฏิเสธยังไงดีนะคะก็บอกไปเลยค่ะว่า ต้องขอศึกษาให้เข้าใจแล้วก็ศึกษาายละเอียดซะก่อนนะคะหรือแจ้งเข้าไปเลยค่ะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสํานัก ง, งานภาคใต้ก็ได้หรือในส่วนกลางก็ได้จะได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะคะปัจจุบันนี้ค่ะองค์ประกอบที่ทําให้คนเราถูกหลอกได้ง่ายขึ้นเพราะว่าคนนั้นต้องการที่จะมีการลงทุนนะคะแล้วก็ต้องการผลตอบแทนที่สูงค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนนั้นต้องการผลผลตอบแทนสูงก็เลยเป็นช่วงที่ทําให้มีแชร์ลูกโซ่ เ, เกิดขึ้นมากมายเลย ะระมัดระวังกันด้วยนะคะอย่างที่บอกนะคะก็คือการลงทุนได้ผลตอบแทนสูงมากๆจนเกินจริงไม่มีนะคะผู้ฟังคะเพราะฉะนั้นถ้ามีใครมาชวนเราลงทุนแล้วให้ผลตอบแทนที่สูงมากๆแบบนี้คิดไว้ก่อนเลยนะคะว่าเราอาจจะถูกหลอกให้ไปลงทุนแชร์ลูกโซ่ค่ะขอบคุณข้อมูลนะคะจากกรุงเทพธุรกิจค่ะ พักสักครูน่นึงนะคะช่วงหน้าจะมาติดตามกันทางทปอเองนะตอนนี้มีการเปิดเผยถึงสถิตินะคะมีการโจรโกงผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นสูงกับเท่าตัวเลยนะคะในแต่ละเดือนพอกพุนขึ้นเรื่อยๆและรูปแบบใหม่ก็คือการแฮกหรือปลอมไลน์เป็นเพื่อนและมาขอยืมเงินนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้าเพื่อนเตนภัยค่ะ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 ช่วงที่สองของเพื่อนเตือนภัยนะคะในช่วงนี้ค่ะทางด้านของกองบัคับการปราบปรามกรกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบอกอป อ, อทอนะคะซึ่งทางโฆษกของปอทอเองค่ะก็เตือนภัยสถิติการช่อโกงผ่านออนไลน์พบว่าสูงขึ้นเท่าตัวในแต่ละเดือนนะคะรูปแบบใหม่ค่ะก็จะเป็นเรื่องของการแฮกหรือ ปลอมลายเป็นเพื่อนแล้วก็มาขอให้หยิบยืมเงินมาให้เราโอนเงินอะไรแบบนี้นะคะก็มาขับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบกปอทค่ะพันตํารวจเอกศิริวัตรดีพอรองผู้กำกับการก็มาขับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะโฆษกของปอทบอกว่าในช่วง2เดือนที่ผ่านมานี้นะคะก็พบว่ามีสถิติการรับแจ้งความเกี่ยวกับคดีถูกช่อโกงหลอกให้โอนเงินผ่านออนไลน์สูง มากขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะคะซึ่งคนรายนั้นนะคะก็จะคิดหาวิธีการหรือว่ามุกแปลกแ ป, ก, แปกมาหลอกลวงค่ะล่าสุดตอนนี้นะคะแพร่ระบาดหนักเลยเนี่ยเป็นการแฮ็กหรือการปลอมลายเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรู้จักแล้วก็ส่ง QR วอารโค้ดให้เหยื่อนะคะซึ่งเหมือนเพื่อนในไลน์เนี่ยไปช่วยชําระค่าสินค้าแทนให้ก่อนได้ไหมแล้วจะโอนเงินคืนให้ภายหลังนะคะเมื่อเหยื่อเห็น QR วอารโค้ดส่งมาให้ก็ไม่ได้ตรวจสอบกลับไปยังคนขอว่าเป็นตัวจริงหรือเปล่าพอสแกน QR โค้ดค่ะก็เป็นการชําระ รัเงินค่าสินค้าที่คนร้ายช็อปได้สินค้านั้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยนะคะมีการอยากเตือนว่าต้องระมัดระวังด้วยนะคะกรณีที่มีการร้องขอให้ช่วยชําระสินค้าไปก่อนแบบนี้เนี่ยขอให้ทำการสอบถามไปด้วยการคุยด้วยเสียงหรือวิดีโอคอลแบบเห็นหน้ายืนยันตัวตนว่า เป็นเพื่อนเราเป็นคนรู้จักเราที่ขอมาจริงนะคะไม่ใช่คนร้ายที่แฮ็กมาหรือว่าปลอมไลน์มาแล้วเราก็ค่อยไปสแกน QR Code คจ่ายเงินให้กับพวกเขาค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีวิธีการที่คนร้ายเนี่ยจะใช้วิธีเรื่องของการโทรศัพท์นะคะเข้ามาหาเหยือ่อ แต่ไม่พูดอะไรหรือตัดสายทันทีก็จะมีมิสคอโชให้เหยื่อเห็นนะคะกรณีแบบนี้แสดงว่าคนร้ายแฮกเอาบัญชี Facebook แล้วก็บัญชี Line ไปแล้วค่ะจากนั้นนะคะโทรศัพท์เข้ามาแต่ไม่พูด 2-3 ครั้งรอให้เหยื่อลงเชื่อนะว่าเป็นตัวจริงแต่ไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้ระบบไม่ดีสัญญาณรบกวนจากนั้นก็จะเขียนข้อความแชทมาบอกเระอุอ่านนะคะแล้วก็จะหลงเชื่อว่าเป็นตัวจริงแล้วก็จะไปชําระค่าสินค้าหรือว่าโอนเงินให้ในรูปแบบต่างๆ นะก็กลายเป็นว่ามีวิธีการที่ซําซอนอีกนะในการที่จะไปแฮ็กเอาบัญชี f เฟซบ o ๊กแล้วก็ไลน์ของเพื่อนๆ เ, เราไปนะคะนอกจากการที่จะมีการหลอกชำร ะ, ะชําระเงินนะคะผ่านเทวคอแล้วเนี่ยก็ยังมีการหลอกลวงในรูปแบบอื่นๆด้วยนะคะทั้งการโอนเข้าบัญชีธนาคารบ้างละ่ะโอนเข้ากระเป๋าตังค์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีในโลกออนไลน์แล้วบ้างละ่ะแล้วก็มีการถูกหลอกเยอะนะคะก็คือการหลอกให้โหวตคนร้ายนะคะก็จะส่งลิงก์มาให้พร้อมกับขอร้องว่าไปโหวตคะแนนให้ลูกหลานนะตอนนี้กําลังประกวดแข่งขัน พอกดลิงก์เข้าไปแล้วนะคะก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาบอกให้ใส่ username p a เวิร์ดค่ะพอเหยื่อหลงกลปุ๊บใส่คนร้ายปับ๊บก็จะได้ข้อมูลส่วนตัวไปแล้วก็ไปทำการยึดเฟ e บุ๊กหรือ l ล n e นะคะเพราะฉะนั้นก็เตือนเลยนะคะระมัดระวังอย่า ก, กดเข้าไปในลิงก์แปลกหรือกดไปแล้วนะคะถ้ามีว่าให้ใส่ username หรือว่า password เนี่ยคุณอาจจะตกเป็นเหยื่อของคนร้ายในการแฮก ะะช่องทางออนไลน์ของคุณได้นะคะส่วนในกรณีที่ใครบอกว่าเอาล่ะถ้าเกิดว่าถูกหลอกโอนเงินชํำระเงินไปแล้วล่ะ ทำอย่างไรดีนะคะขอให้เอาพยานห ล, ลักฐานทั้งหมดที่มีนะคะทั้ง QR วอารคการสนทนาที่คุยสื่อสารกับคนร้ายอะไรทุกอย่างที่เกี่ยวข้องในคดีนี้นะคะปรินกระดาษออกมาแล้วก็นําไปพบกับพนักงานสอบสวนที่บกปทหรือที่สอนนะคะหรือ ส, อ Personal, ะะอสอพอในพื้นที่ที่กระทําความผิดที่โดนโอนเงินให้คนร้ายนะคะซึ่งทางสถานีตํารวจเองจะส่งข้อมูลมาให้ทางบกปทในการสืบสวนหาตัวคนร้ายค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็มีร่องรอยให้สืบสวนติดตามสมอ ะะอยู่ที่ว่าฝ่ายผู้เสียหายนั้นจะมีการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานได้ทั้งหมดแล้วมอบให้พนัก ง, งานสอบสวนเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดตามสืบสวนหาตัวผู้กระทําผิดให้ได้เมื่อผู้เสียหายรู้ตัวว่าถูกหลอกถูกช่อโกงนะคะแนะนะําค่ะให้เข้าพบกับพนัก ง, งานสอบสวนทันทีก็จะดีที่สุดนะคะโอกาสที่จะสามารถติดตามเงินคืนก็มีมากน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับ ความยากง่ายแล้วก็พยาหลักฐานค่ะถ้าเร็วที่สุดก็อาจจะไม่ถึงสัปดาห์นะคะแต่ถ้าหลักฐานที่เกี่ยวข้องอยังไม่ครบก็ต้องรอหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาก่อนซึ่งก็ต้องมีการใช้ระยะเวลาที่มากขึ้นค่ะขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากพฤติัการออนไลน์ด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นะบางทีเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะบางท่านบอกว่าเราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะแต่ว่าผู้เฒ่าผู้แก่นะคะพี่ป้านะ้าอา ที่อยู่ที่บ้านบางท่านเนี่ยเป็นผู้สูงอายุแล้วเนี่ยบางทีก็ไม่ทราบหรอกหากหูฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเป็นหูเป็นตาในการที่จะดูแลพวกเขาเหล่านั้นด้วยว่ามันมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นหรือไม่นะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยไม่ทราบหรอกถ้าเกิดว่าส่งลิงก์เข้ามาแล้วก็ให้เราเข้าไปโหวตนะคะก็เป็นเรื่องปกติที่ผู้ท้าผแก่เขาจะคุยกันโหวตให้ลูกหลานะนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันด้วยอาจจะต้องอ า, อาจจะเจอลิงก์ที่เป็นลิงก์ของวิชาชีพที่ต้องการที่จะแฮกข้อมูลค่ะ จากเรื่องเหล่านี้นะคะเราไปกันที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะมีการเตือนภัยมิจฉาชีพนะคะหลังจากที่เจ้าของเนี่ยเขานำเงินไปถ่ายทอนรถกระบะที่มีการไปจำนำเอาไว้แต่ปรากฏว่ารถของตัวเองดันล่องหนนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไปแจ้งความในคดีนะคะพบว่ามีผู้เสียหายที่เจอกรณีแบบนี้หลายรายแล้วค่ะ คุณโยทินไคร้หมูนะคะอายุ33ปีอยู่ที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชนะคะได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอเมืองจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าคุณโยทินได้นํารถปิกอัพยี่ห้อโตโยต้าวีโกนะคะไปจํานําไว้กับนายประสิทธิชัยนามรักอายุส8ปีนะคะเป็นชาวตำบลหนองไผ่ล้อมอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาราคา3 0,000 ื่นบาทตกลงกันว่าจํานําเอาไว้นะเดี๋ยวจะถ่ายถอนรถคืนภายในหนึ่งเดือนหลังจากนั้นนะคะก็นําเงินสด สามหมบาทพร้อมดอกเบี้ยไปให้ในายประสิทธิชัยผู้รับจำนำเพื่อไถ่ถอนรถคืนแต่นายประสิทธิชัยอ้างว่าจะนำรถมาคืนให้ในภายหลังกระทั่งเวลาผ่านไปหลายวันแล้วค่ะนายประสิทธิชัยนะคะไม่ยอมนำรถมาให้ก็เลยมีการแจ้งความเพื่อให้ดำเนินคดีที่ไม่ยอมส่งรถคืนนั่นเองมูลเหตุที่มีการนำรถไปจำนำเนี่นะคะคุณโยทินบอกว่ามีความจำเป็นต้องใช้เงินด่วนสามหมบาทก็เลยนำรถเนี่ยไปจำนำเอาไว้เพราะเห็นว่านายประสิทธิชัยเนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นน้องและอาสาจะเอารถไปจำนำให้ไม่ต้อง ทำสัญญานะคะแล้วก็ได้บอกว่าจะเอารถเนี่ยไปจอดเก็บรักษาเอาไว้ในโกดังของนายทุนที่รับจำนำต่ออีกทีหนึง่งจะไม่นํารถขับออกไปไหนก็หลงเชื่อค่ะแล้วก็ยอมเอาไปเอ า, เอารถไปจำนำนะคะทั้งที่รถนั้นก็ยังติดไฟแนนซ์อยู่2อง0 0นบาทแต่เมื่อนาเงินไปไถ่ถอนรถคืนกลับไปได้รถอ้างว่านายทุนไม่อยู่นะคะก็ขอเอาเงินไปให้ในายทุนเองแต่นักเสียที่ชายนั้นก็ไม่ยอมให้ไปทําให้ผู้เสียหายเริ่มคิดแล้วว่าเอาล่ะนี่คือถูกหลอกแน่นอนนะคะก็เลยมีการเข้าแจ้งความ กับพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่รับจำนำรถของตนเอาไว้ค่ะ นี่ไม่ใช่เคสแรกนะคะที่คุณโยทินได้เจอนะคะเพราะว่ามีคนที่เป็นผู้เสียหายก่อนหน้านี้สองรายด้วยกันค่ะก็นํารถนี่แหละค่ะไปจํานํากับนายประสิทธิชัยนะคะแล้วก็ไม่ได้รถคืนเหมือนกันเดือดร้อนค่ะส่งงวดรถกับทางไฟแนนซ์ทางที่ไม่มีรถขับนะคะก็อยากให้เจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นติดตามจับกลุ่มขบวนการรับจํานํารถมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วค่ะเพราะเชื่อว่ายังคงมีผู้เสียหายหลงเชื่อนํารถไปจํานํากับนายประสิทธิชัยอีกหลายรายแล้วก็อยากเตือนภัยสังคมด้วยว่าไม่ควรนำ รถไปจำนำกับกลุ่มนายทุนมืดเพราะอาจจะถูกเชิดรถนี้เหมือนในกรณีนี้ด้วยค่ะระมัดระวังกันด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีความจําเป็นต้องไปจำนำจริงๆนะคะเดี๋ยวนี้เขามีเรื่องของการรับจำนำในส่วนของสถานสถาบันการเงินน ะ, ะสถานต่างๆที่มีการลงทะเบียนร่วมเอาไว้กับทางรัฐบาลนะคะก็สามารถที่จะไปเช็ครายชื่อได้นะคะขอบุญข้อมูลค่จะจากโพสต Today ค่ะ พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้าค่ะดิฉันมีเรื่องราวจากทางออยอตอนนี้เนี่ยมีการพูดถึงโฆษณาของผลิตภัณฑ์หนึ่งนะคะแล้วก็อ้างชื่อว่าเนี่ยนักเรียนไทยเนี่ยเขามีการค้นพบผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะโอ้โหนะฮรักษาข้อต่อได้ดีมากเลยแต่ปรากฏว่ามันคือการโฆษณาชวนเชื่อหลอกลวงนะคะเดี๋ยวมาติดตามรับฟังกันีนช่วงหน้าเพื่อนเตนภัยคะ่ะ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 เพื่อนเตือนภัยในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะในช่วงนี้ค่ะทางด้านของคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อ, อยอนะคะเตือนภัยประชาชนระวังการโฆษณาหลอกลวงยา ช่วยในการรักษาข้อต่อได้อ้างชื่อนักเรียนไทยคิดคน้นผลิตภัณฑ์ค่ะเพศจักรหญิงสุภัทราบุญเสริมรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยอบอกว่าตอนนี้นะคะมีการส่งต่อข้อมูลทางสื่อออนไลน์อ้างถึงนักเรียนไทยนะคะได้รับรางวัลทางการแพทย์จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์แพนโทเฟรคและคอนเล็ c นะคะโดยอ้างว่ามีการทํางานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรวิชาชีพทางการแพทย์หลายแห่งและก็มีการโฆษณาสปปรรพคุณผลิตภัณฑ์ในทํานองเรื่องของการรักษาโรคของข้อต่อนะคะซึ่งทางออยเองก็ขอเตือนไปยังผู้บริโภคค่ะอย่าลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาใช้เพราะจากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์แพน To เฟรตนะคะไม่พบข้อมูลการจดทะเบียนตํำรับยาค่ะส่วนผลิตภัณฑ์คอนแลคแอคทีฟนะคะตรวจพบว่ามีการจดทะเบียนจดแจ้งนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางแล้ว ก็อ่า เป็นชื่อของเครื่องสําอางประเภทของรีแพริงครีมนะคะบํารุงผิวกายค่ะออกให้มวนที่4มกราคมปี2562นะคะอายุใบจดแจ้งใช้ได้ถึงวันที่3มกราคม2565ค่ะซึ่งเครื่องสําอางนี้ถึงแม้ว่าจะบอกว่ามีการจดแจ้งก็จริงแต่ไม่ได้มีการระ บ, บุว่าเป็นการรักษาโรคหรือว่าเป็นโครงสร้างของร่างกายนะคะแต่ว่าข้อความบรรยายของผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาออกมาเนี่ยเป็นลักษณะของการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงเข้าข่ายการโฆษณา ขายาโดยไม่ได้รับอนุ ญ, ญาตจากออยนะคะก็ขอให้ผู้บริโภคนั้นระมัดระวังอย่าสั่งซื้อผลิพภัณุ์ดังกล่าวมาใช้โดยหวังผลการรักษาเรื่องข้อต่อค่ะซึ่งตอนนี้ออยจะมีการติดตามดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโดยกรณีการขายยาโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนตํำรับยานะคะจะมีโทษจําคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับกรณีการขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจําคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 10,000 บาทการโฆษณายาโดยไม่รับอนุ ญ, ญาต ะะมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 งบาทค่ะส่วนกรณีการจดแจ้งผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องสําอางแต่โฆษณาว่าป้องกันและก็รักษาโรคซึ่งเป็นข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญเกียวเครื่องสําอางผู้โฆษณาจะมีความผิดนะคะระหว่างโทษจําคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน1น0 0 0แสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับค่ะทั้งนี้นะคะเมื่อพิจารณาจากข้อมูลโฆษณาที่เผยแพร่ในทํานองเดียวกันแต่ผลิตภัณฑ์คนละชนิดก็คาดว่าอาจจะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆตามมานะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีการแจ้งให้ผู้บริโภคเอง คุณฟังเองนะคะระมัดระวังในการรับข้อมูลด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปเจอผลิตภัณฑ์ต่างๆเอ๊ะเขาว่ากันว่าดีว่ากันว่านะคะแต่ไม่รู้ว่าดีจริงหรือไม่สามารถสอบถามออยได้เลยนะคะสายด่วน1556ค่ะหรือตรวจสอบสถานะผลิตภัณฑ์นะคะทางออยสมาร์ทแอปพลิเคชันหรือที่ w w w ร์ดเว็บดอทเอนะคะซึ่งยานี้ก็มีทั้งคุณแล้วก็โทษด้วยไม่ควรซื้ อ, อยาตามเว็บไซต์หรือว่าสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆค่ะเพราะว่าเสี่ยง ที่จะได้รับยาปลอมนะคะยาที่ไม่มีคุณภาพหรือว่ามีผลข้างเคียงจากการใช้ยาก็ได้จนอาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตนะคะแล้วก็ทำให้เสียโอกาสในการรักษาโรคด้วยผู้ที่มีอาการปวดข้อจริงๆแล้วเนี่ยต้องไปปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อตรวจหาอาการที่แน่ชัดจะได้มีการดำเนินการรักษาอย่างถูกต้องต่อไปค่ะขอบคุณข้อมูลนะคะจากทยโพสต .net ค่ะ จริงทายกันในช่วงนี้สักนิดนึงนะคะในหลายพื้นที่เองค่ะก็มีอากาศที่ค่อนข้างเย็นขึ้นนะคะซึ่งอากาศที่มันเย็นขึ้นนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังคะมันทําให้เสี่ยงในการเกิดอักขีภัยมากขึ้นค่ะโดยเรื่องนี้นะคะคุณกรุณาทูบเทียนหอมค่ะพว้ในการเขตบางใหญ่บอกว่าตอนนี้ประเทศไทยก็เข้าสู่ช่วงของฤดูหนาวกันบ้างนะคะสภาพอากาศแห้งแล้วก็ลมกระโชกแรงเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอักขีภัยสูงค่ะซึ่งไฟนั้นจะลุกลามอย่างรวดเร็วแล้วก็ยากต่อการควบคุมทําให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทร สินนะคะดังนั้นในช่วงนี้เนี่ยนะคะก็มีข้อแนะนําก่อนจะออกจาก บ, บ้านทุกครั้งอย่าลืมตรวจตราการปิดก๊าซหุงต้มดับทุบเทียนให้เรียบร้อยนะคะถอดปลัก๊กเครื่องสายไฟฟ้าทุกครั้งหลังใช้งานป้องกันกา ร, กรเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรนะคะมันตรวจสอบสภาพของสายไฟฟ้าแล้วก็เครื่องใช้ที่ชํารุดแล้วก็เก่าหากมีสภาพชํารุดต้องรีบแก้ไขค่ะไม่ทิ้งก้นบุหรี่ไม่เก็บสะสมสิ่งที่เสี่ยงต่อการเกิดอักขีพัยจํานวนมากนะคะควรติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิด ถือมือนะคะอย่างน้อยชิละหนึ่งเครื่องอชละ1เครื่องนะคะแล้วก็ตรวจสอบสภาพเครื่องดับเพลิงด้วยเพื่อให้พร้อมในการใช้งานอยู่เสมอค่ะนอกจากนี้นะคะก็สามารถที่จะป้องกันเหตุอื่นๆได้ถ้าเกิดว่าเจอเหตุอักขีภัยนะคะแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์ดับเพลิงกรุงเทพมหานคร199นะคะหรือแจ้งเหตดวนเหตุร้ายที่191ค่ะ ระมัดระวังกันด้วยในช่วงนี้นะคะก็นํามาฝากกันนะคะเพราะว่าเรามองข้ามไม่ได้นะประมาทไม่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนๆก็ตามเรื่องของอักขีพัยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังตัวเองเสมอค่ะขอบคุณข้อมูลนะคะจากแนวหน้าค่ะ นี่คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ที่มาคุยกันในเพื่อนเตือนภัยนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการเพื่อนเตือนภัยรายการที่รวบรวมเรื่องราวการเตือนภัยการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะคะซึ่งเราจะมีข้อมูลที่น่าสนใจนํามาพูดคุยแล้วก็เล่าสู่กันฟังแน่นอนในทุกๆเช้าของวันพฤหัส บ, บดีแบบนี้นะคะวันนี้ดิฉันอาทิตยาปกรทานางและทีมงานลากไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี